บทที่แปดจิตกับสัจธรรมหมอผี เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในประเทศไทยความมหัศจรรย์แห่งปัญญาของหลวงพ่อชาผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องเดินอย่างรีบร้อนมาหาหลวงพ่อชาที่กุฏิ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 หลวงพ่อสั่งให้สามมณเนยรสององค์ติดไฟต้มน้ำทันทีแล้วสั่งให้สามมณเนยรอีกสององค์ขุดหลุมใหญ่ๆ ใ, ใ, ใกล้กุฏิของท่านไม่มีสามมณเนยรองใดรู้ว่าท่านได้ทำไปเพื่ออะไรชายชาวบ้านร่างกำยงสี่คน ซึ่งล้วนจะเป็นชาวนาอีสานที่ทอระพันพาผู้หญิงที่กำลังดิ้นเราๆ เ, เข้ามาอย่างยากเย็นขณะที่เขาลากเธอเข้ามาในสถานที่สักสิทธ์เธอตะโกนร้องถ้อยคำลามกพลาหลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านตะโกนสั่งลูกศิษย์ว่า พุดวเร็วเข้าโองน้ำให้มันเดือดเร็วพุ่ดลุมใหญ่เปิด น, น้ำเยอะๆทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ใต้ทุนกุฏิลงพ่อไม่สามารถ้าดเดาได้ว่าท่านกำลังจะทำอะไร ขณะที่เขาสุดหญิงที่กำลังกรีดร้องคนนั้นเข้ามาที่ใต้ทุนกุนบิ๊กน้ำลายเธอก็ฟูมปากแล้วตาแดงํำราวกับเลือดเบิดโพรงด้วยความบ้าหน้าตาบิดเบี้ยวขณะที่เธอพ้นคำลามกหยาบคายใส่หลวงพ่อผู้ชายอีกหลายคนต้องเข้าไปช่วยจับเธอไว้ ุดลุกเสร็จหรือยังเร็วๆเข้าน้ำเดือดหรือยังไฟไม่ไฟน้อยหลวงพ่อตะโกนตกเสียงแผลร้องของทุกคนนั้นเราจะจับตัวโยนลงลุกเอาน้ำร้อนร่าแล้วฝาไว้เลยเราจะยึดไล่ผีมันได้เอาคุดเร็วๆ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 เทน้ำเดือดจนท่วมร่างเธอและฝังเธอเสียแล้วเขาก็ยอมให้ท่านทาเสียวยตัวเธอเองก็คงคิดเช่นเดียวกันเพราะเธอเริ่มสงบลง กอนที่หลุงจะขุดเสร็จและน้าจะเดือดเธอก็นั่งสํารวมอยู่ในความสงบอย่างหมดเรี่ยวแรงตรงหน้าหลุงพ่อหมอพระพรอย่างสงบเรียบร้อยก่อนที่เขาจะค่อยๆพาเธอกลับบ้านช่างหลักแหลมเสียจริงๆหลวงพ่อชาทราบว่า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 ให้ความรักตัวตัวตายและการกลัวความเจ็บของเธอเองขับไล่เจ้าผีร้ายที่สิงเธอออกไปได้นี่คื อ, อัญญาการอย่างรู้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่มีการวางแผนรู้เฉพาะการ วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนพยัญชนะตัวแรกของเราอันนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนกอชิแกนฮะกอชิแกนอ๋ยคุณครูจะเป็นลมเขาเรียกว่ากอไก่ลูกอะไรใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนสมัยอาตมาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นประถมหนึง่งครูถามเด็กนักเรียนในชั้นซึ่งอายุประมาณห้าขวบว่าอะไรใหญ่ที่สุดในโลกเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งตอบว่าคุณพ่อของหนูคะ่ะ เด็กชายคนหนึ่งที่เพิ่งไปเที่ยวสวนสัตว์มาเมื่อไม่นานนี้ตอบว่าช้างเด็กอีกคนบอกว่าภูเขาค่ะลูกสาวของเพื่อนอาตมาตอบว่าตาของหนูใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ จันเงียบกริบพยายามที่จะทำความเข้าใจกับคำตอบของเธอครูซึ่งก็งงพอๆพกับเด็กคนอื่นถามว่าหนูหมายความว่าอย่างไรจ๊ะก็อย่างนี้นะคะนักปรัชยารุ่นจิ๋วเริ่มอธิบาย ตาของหนูเห็นพ่อของเพื่อนเห็นช้างเห็นภูเขาแล้วก็เห็นอะไรๆ อ, อีกตั้งเยอะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในตาของหนูได้ตาของหนูก็ต้องใหญ่ที่สุดในโลกสิคะปัญญาไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่สอนกันไม่ได้ลูกสาวเพื่อนตอบได้ดีมากแต่อาตมาจะขอเสริมว่าจิตของเราใหญ่กว่าดวงตาเสีอีกฉะนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือจิต สามารถเห็นทุกสิ่งที่ดวงตาเราเห็นได้แล้วยังเห็นมากกว่านั้นอีกโดยอาศัยจินตนาการของเรามันสามารถรับรู้เสียงซึ่งดวงตาเราไม่เคยได้เห็นและรับรู้สัมผัสทั้งของจริงและสิ่งที่ฝันถึงนอกจากนี้จิตยังสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือสัมผัสทั้ง5 เพราะเหตุว่าจิตสามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะรู้จะเห็นได้จิตจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจิตของเราครอบคลุมทุกสิ่ง นักวิทยาศาสตร์หลายคนและบรรดาผู้สนับสนุนเขาเหล่านั้นยืนยันว่า เป็นผลข้างเคียงของการทา ง, งานของสมองดังนั้นในช่วงเวลาถามตอบหลังการเทศมักจะมีคนถามอาตมาเสมอว่าจิตไม่มีจริงหรือถ้ามีมันอยู่ตรงไหนในร่างกายเราหรือว่านอกร่างกายเราหรือมันอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปหมดจิตอยู่ตรงไหน การตอบคาถามเหล่านี้อาตมาแสดงให้ดูอย่างงา่ายๆอาตมา ถ, ถามผู้ฟังว่าถ้าใครกําลังมีความสุขโปรดยกมือขวาขึ้นแต่ถ้าใครมีความทุกข์แม้จะเล็กน้อยก็ตามโปรดยกมือซ้ายขึ้นคนส่วนใหญ่ยกมือขวาขึ้นบางคนก็คงสุขจริง บางคนก็ยกเพราะกลัวเสียหน้าอาตมาพูดต่อว่าเอาละ่ะที่นี้ผู้ที่กำลังมีความสุขการุณาชี้ความสุขของโยมด้วยนิ้วชี้มือขวาส่วนคนที่มีความทุกข์โปรดใช้นิ้วชี้มือซ้ายชี้ไปที่ตัวความทุกข์ ชี้ให้อัตมาดูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนผู้ฝั่งของอัตมารเริ่มจะชี้นิ้วสเปะสปะขึ้นขนลงๆแล้วก็เริ่มหันไปหันมาเพื่อดูคนข้างๆซึ่งก็ล้วนแต่สับสนพอๆกันเมื่อเขาเข้าใจสิ่งที่อัตมาต้องการจะสื่อให้เขารู้แล้วก็พากันหัวเราะ ความสุขนะ่ะมีจริงและความทุกข์ก็มีจริงด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่มีจริงๆเหล่านี้อยู่ตรงไหนในร่างกายของเราหรืออยู่ตรงไหนนอกร่างกายเราหรือแม้แต่ที่ไหนๆก็ตามนั่นเป็นเพราะความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องของจิตโดยเฉ้าะ เช่นเดียวกับที่ดอกไม้และวัชพืชเป็นสิ่งที่อยู่ในสวนความจริงที่ว่าดอกไม้และวัชพืชมีอยู่แสดงว่าสวนมีอยู่ในทรรนองเดียวกันการปรากฏของความสุขความทุก์ย่อมพิสูจน์ว่าจิตมีอยู่จริงการค้นพบว่า เราไม่สามารถชี้ว่าความสุขและความทุกข์อยู่ตรงไหนก็แสดงว่าเราไม่สามารถชี้ได้ว่าจิตอยู่ตรงไหนในอวกาศสามิตินี้จำได้ใช่ไหมว่าจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นจิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในอวกาศสามิติได้ แต่อวกาศสามิตินั่นแหละที่อยู่ในจิตจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันครอบคลุมทั้งจักรวาลเลยทีเดียว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 อะไรอะไรมันจะดีขึ้นถ้าทุกคนหยุดโต้เถียงกันสุภาสิทธวันออกที่โด่งดังกล่าวว่าผู้ที่รู้ไม่พูดผู้ที่พูดไม่รู้มันอาจจะฟังลึกซึง้ง จนกว่าเราจะถูกคิดได้ว่าถ้าใช่ผู้กล่าวย่อมเป็นคู่หนึ่งที่ไม่รู้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 และพระองค์ก็ส่งช่วยชายคนที่สองให้ได้สัมผัสงาช้างคนที่สามสัมผัสที่หูคนที่สี่สัมผัสหัวคนที่ห้าสัมผัสลาตัวคนที่หสัมผัสขาและคนที่เจ็ดสัมผัสหางโดยบอกทุกคนว่านี่คือช้างหลังจากนั้น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 เหลวหลายสินดีชายตาบอดคนที่สองที่ได้สัมผัสงาช้างร้องอุทานขึ้นช้างอ่ะแข็งเกินกว่าจะเป็นงูได้ความจริงนะแล้วผมก็ไม่เคยผิดเสดวจมันเป็นคันไถของชาวนาอย่าบ้องหนะ้าชายตาบอดคนที่สามที่ได้สัมผัสหูช้างส่งเสียงเย้ยขึ้น ท, ทันทีช้างเป็นพัดที่ทาจากใบตาลตั้งหา ชายตาบอดคนที่สี่ที่ได้สัมผัสส่วนหัวหัวเราะเยอะขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเจ้าพวกปัญญาอ่อนไร้ความสามารถเอ้ยมันชัดๆอยู่แล้วว่าช้างนะ่ะคือตุ่มน้ำใหญ่ตั้งหาก impossible เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดชายตาบอดคนที่ห้าที่ได้สัมผัสลำตัวส่งเสียงกรี๊ออกมาบ้างช้างนะ่ะคือหินก้อนเบเรมเทิม โถ่เอ้ยชายตาบอดคนที่หที่ได้สัมผัสส่วนขาตะโกนขึ้นมาบ้างช้างน่ะคือลังต้นไม้ทัางหานี่เจ้าพวกไม่ได้สตือทั้งหลายชายตาบอดคนสุดท้ายที่ได้สัมผัสส่วนหางส่งเสียงเหยียดย้มออกมาเราจะบอกพวกเจ้าให้ว่าช้างน่ะจริงๆแล้วมันคืออะไร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 มีคันไถอยู่สองด้านชี้ลงเบื้องล่างและมีงูหลามตัวยาวอยู่ตรงกลางนับได้ว่าเป็นการบรรยายถึงช้างสักตัวที่ไม่เลวนะักสำหรับผู้ที่ยังไงยังไงก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นช้างตัวจริง